สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์เรดิโอนะครับทาง FM 89.5 MHz นะครับวันนี้อยู่กับผมพรชัยจันทร์ัประแสงนะครับบอกก้อมิงเหมือนเดิ ม, มเช่นเคยนะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มกับสาระความรู้ดีๆทางด้านดิจิตอลไลฟ์สไตล์และก็เพลงเ พ, า ะ, เพาะนะฮะก็ต้องบอกว่าบางคนชอบถามว่าเอหลายๆคนถามพี่มิงว่า ในส่วนของคำว่าดิจิทัลไลฟ์สไตล์นี่หมายถึงอะไรนะก็ต้องบอกว่าหมายถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเราในยุคนี้ที่มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองพูดง่ายๆแบบนี้ละกันนะครับซึ่งพี่งก็จะมีการคัดสรรทั้งในเรื่องของเนื้อหาที่ออกอาจจะบางครั้งก็อาจจะเป็นแนวอินสป r เรชันสร้างแรงบันดาลใจที่เป็น success story หรือ case story ต่างๆของ คนที่เป็นคนดังๆในแวดวงเทคโนโลยีในยุคนี้นะครับหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องพวกนี้นะฮะรวมถึงบางครั้งก็จะเป็นข่าวสารต่างๆที่เอามาวิเคราะห์ให้ฟังกันในแต่ละเรื่องแต่ละราวที่เป็นกระแสะในช่วงเวลานั้นหรือบางครั้งก็จะเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิตอลในยุคนี้มาเล่าสู่กันฟังเอาเป็นว่าทุกๆเรื่องเนี่ยก็ คิดว่าดีอ่าแล้วชอบหรือว่าเจอมาแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะฮะก็เลือกมาให้ฟังกันนะครับวันนี้วันอังคารที่4มิถุนายน2562นะครับวันแรกของการทํางานของสัปดาห์นี้ซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็คงจะมาเขาเรียกว่าพักผ่อนกันเต็มสปรีเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีความสุขความไม่อยากใช้คำว่าความเจริญมีความสุขความสบายใจในการที่จะ เล่นหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมตรงนั้นนะฮะอ่ะไอน่หนึ่งแฮกแกเราจะมาดูเรื่องราวแรกของวันนี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ True Online เอาใจเหล่าเกมเมอร์ด้วยเทคโนโลยีใหม่เน็ตท่อนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวมา ฝังกันนะครับ t r u e h online เอาใจเหล่าเกมเมอร์ด้วยเทคโนโลยี high speed เดตแยก3ท่อตรงให้ผู้ใช้สัมผัสเล่นเกมและดูสตรีมแบบเต็มสปีดไม่มีการลดความเร็วนะครับ t h r o u g online นี้ถือเป็นการตอกย้าเขาบอกว่าถือเป็นการตอกย้ําความเป็นบอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตอันดับหนึ่งในยุคนี้จริงๆนะฮะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดถึงขนาดเรียกว่าแยก3ท่อตรงท่อเล่นเกมท่อสตรีมและท่อดูสตรีมนะฮะพูดง่ายว่าแต่ละ รีดไลน์ที่เขาแยกกันมาเนี่ยก็ช่วยทำให้ไม่ต้องมาแย่งเป็นการจราจรติดขัดในในแบนบิทตรงนี้นะครับสำหรับตรงนี้เองเนี่ยเขามาพร้อมกับแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับผับ g l i ล e เกมพีซียอดคิดของไทยเอาใจเหล่าเกมเมอร์มอบสิทธิทพิเศษให้กับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ through super fiber gamer pro pack นะรับไอเทมสุด e lusive, อ c กซ์คลูซีฟร t e d Edition ทั้ง สกินปืนเสื้อร่มมูลค่ากว่า 1,000 บาทฟรีทุกสิ้นเดือนเลยนะฮะทุกเดือนทุกถึงสิ้นปีเลยเขาเรียกว่าอย่างนั้นเลยนะฮะก็บางทีพี่มิงก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าไอ้พวกไอเทมพวกนี้ทําไมคนเล่นเกมเขาชอบก็คงจะให้อารมณ์เหมือนกับเวลาพี่มิงชอบพวกมิวสิกบ็อกชอบของกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กพอมันได้มาแค่สติกเกอร์อันนึงมาแ ป, ปะเนี่ยเราก็ฟรีแล้วนะครับอันนี้ก็คงจะเข้าขายเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับทรูออนไลน์ยังจัดการแข่งขันร่วมกับั พัเฟ้นหานักกีฬา P ับจ l, ine, ira, l ine, จากทั่วประเทศโดยทีมชาแ e ลจะได้รับทัวร์บินชมการแข่งขันที่ประเทศเกาหลีใต้ทั้งทีมนะครับสำหรับ True Super Fiber Gamer Pro Pack แยก3ท่อลดปิงทั้งเล่นและดูสตรีมมิ่งบนแบนด์วิดท์พิเศษนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคอเกมเมอร์ซึ่งแพ็กเกจใหม่ตรงนี้เขาบอกว่า เริ่มต้นกันที่999บาทความเร็ว300ต่อ300เมกะบิตเพอร์เซกนะครับแล้วก็แรงสตรีมมิ่งทั้งดาวน์โหลดอัพโหลดพร้อมเน็ต 4G เต็มสปปสถึง10กิกมากันเต็มๆนะยังสามารถดูหนังกีฬาเด็ดฟังเพลงเพราะๆแล้วก็คอนเทนต์สุดพิเศษได้จากแอป True ID นะ12เดือนนะครับจริงๆ แต่ละค่ายเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีพวกแอปแบบนี้ให้เซอร์วิสคอนเทนต์อย่างของ AS เอเองเขาก็จะมี AIS Play นะฮะที่มีหนังมีคอนเทนต์คอนเร์ตคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้พี่มินก็เคยฝันว่าเอ๊ะน่าจะมีแอปดูหนังบางแอปที่เขาสามารถที่จะให้เราดูคอนเสิร์ตย้อนหลังนะฮะตอนนี้ของ AS Play ก็มีแต่ซสีดายเดยตรงที่ว่าไม่ได้มีทุกคอนเสิร์ตแบบที่เราอยากดูแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะก็ถือเป็น ก้าแรกของเซอร์วิสต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยก็นอกจากการแข่งขันเรื่องความเร็วแล้วเนี่ยแต่ละค่ายมือถือเองเนี่ยเขาก็ต้องแข่งขันในเรื่องของ เ, ออเขาเรียกว่าอะไรเดียวคอนเทนต์ดีๆที่จะคัดสรรมาเพราะว่าคอนเทนต์พวกนี้มันจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้เนี่ยใช้เน็ตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเขาก็จะได้เงินเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยใช้โทรศัพท์แบบ voice เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นรายได้เขาก็จะได้มาจากพวกนี้แหละคือถ้า b u i l ให้คนใช้เน็ตเยอะๆก็ซื้อแพ็กเกจใหญ่ขึ้นหรือถ้า ใช้เกินแพ็กเกจก็โดนคิดตามชั่วโมงจริงอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นรายได้ที่เขาต้องต้องขายรวมถึงการที่มีคอนเทนต์แบบ exclusive ที่ให้คนต้องจ่ายสะดุ้งสะางเพิ่มก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้ของบริษัทที่เป็นพวกมือถือค่ายมือถือต่างๆในยุคนี้นะครับมาที่ f a c e b o o นะครับเขาบอกว่าเริ่มเริ่มเหนื่อยกับการจัดการบัญชีที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับก็เป็นข่าวของ เมื่อไม่นานมา น, นี้เองนะครับมาร์คสักเบิร์ตซีของ Facebook กล่าวไว้ว่าจะพยายามจัดการบัญชีที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมรวมทั้งการไลฟ์ที่มีแ ว, ว์จะสร้างความขัดแย้งทางสังคมนะครับปัจจุบันเนี่ยการไลฟ์เนี่ยเสมือนก็เหมือนเป็นสถานี โทรทัศน์แบบส่วนตัวส่วนตัวก็เลยทําให้คนยุคนี้เนี่ยอยากจะพูดอยากจะแสดงอะไรก็สามารถที่จะไลฟ์โชสดได้นะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าดูตอนนี้แล้วก็เปิดดูย้อนหลังไม่ได้หรือจะให้ดูย้อนหลังได้อีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งเนี่ยการไลฟ์เหล่านี้ก็เป็นไลฟ์ที่ค่อนข้างจะหมิ่นเมงเช่นเป็นเรื่องการเมืองนะี่ยยุยงปกปะเอ่ออะไรปกปานหรือบางทีก็เป็นเรื่องของเซ็กเป็นการโชว์แบบเปลือยโชว์ร่วมเพศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย มันก็เป็นปัญหาที่ทาง Facebook เองน่าจะเจอมาเยอะแล้วก็โดนร้องเรียนว่าเฮ้ยคุณต้องจัดการแล้วนะฮะเขาบอกว่าโดยวันนี้นะครับ o k ลบบัญชีกว่า51บัญชีที่มีพฤติกรรมที่ไม่ผ่านการตรวจสอบซึ่งเกิดขึ้นในอิหร่านนะครับโดยรวมแล้วมีผู้ติดตามประมาณ 21,000 คนนะครับกลุ่มที่มีสมาชิกเกือบ 2,000 คนโดย ไฟไอนะฮะบริษัทรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตในอเมริกาแจ้งเตือน Facebook ถึงพฤติกรรมที่ไม่ผ่านการตรวจสอบนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่ Facebook จะลบบัญชีปลอมหน้าเว็บปลอมแล้วก็นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่พฤติกรรมแบบนี้มาจากอิหร่านโดยก่อนการเลือกตั้งของอินเดียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเฟซบุ๊กก็ได้ลบบัญชีมากกว่า 1,000 บัญชีที่ถูกตั้งสถานะที่ไม่ผ่านการตรวจสอบทั้งนี้นะครับเฟซบุ๊กให้ข้อมูลว่า ต้องลงทุนอย่างหนักนะครับเพื่อว่าจ้างบุคลากรมากขึ้นและต้องทำงานร่วมกับผู้รักษากฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในความพยายามที่จะกำจัดการละเมิดซึ่งน่าเสียดายนะฮะที่ดูเหมือนก็ดูเหมือนว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากและอาจจะต้องใช้เวลาที่นานกว่ากว่า ท, ที่ที่จะทำให้สังคม Facebook มันดูแบบใสสะอาดซึ่งในมุมมองพี่มิงว่ามันก็ยากเหมือนกันนะการที่จะพยายามทาให้โลกออนไลน์ซึ่งมันไม่ใช่โลกจริงเนี่ย มันขาวใสเหมือนผ้าพับไว้เนี่ยมันดูจะห่างไกลกับความเป็นจริงมากแต่ก็คงต้องเป็นความพยายามแหะแต่ก็แอบแอบคิดนะบางที Facebook ก็คงทําไปงั้นๆแหละตามหน้าที่ก็คงไม่ได้คาดหวังหรอกว่าจะทําได้เคลีนขนาดนั้นแต่ถ้าจะไม่ทําเด็กก็จะโดนด่าแล้วก็จะโดนวิพากวิจารณ์เพราะว่าช่วงหลัง Facebook เองก็มีคน ค, มคอมเมนต์หรือมีคนวิจารณ์กันเยอะว่าเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอะไรต่างๆที่ลุรั่วออกมาอยู่ตลอดเวลารวมถึงจริงๆแล้วเนี่ย ก็เป็นเรื่องปกตินะยิ่งคนใช้เยอะมีคนมาอยู่เยอะคนก็หมั่นไส้ก็จะมีการแฮ็กมีการโจมตีมีการสร้างข่าวซีซีหายหายเข้าให้กับบรรดาคนที่ใช้หรือ Facebook อย่างพวกนี้เหมือนกันน ะ, นะครับมาที่ข่าวของสาวก iPad เอ่อไไม่ใช่ iPad iPod กันบ้างนะครับเพราะว่ามีการเปิดตัว iPod t o u c นะครับสำหรับปี2019มาพร้อมชิปเซต A10 Fusion รองรับ AR และ FaceTime นะครับราคาเริ่มต้นที่ 6,900 บาทนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยถือเป็นนวัตกรรมแรกที่ Apple ออกมา ก่อนที่จะมี iPhone มี iPad มีอะไรสารพัดนะครับซึ่งเมื่อเกือบสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ iPod เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยก็สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการทีเดียวเพราะว่าจากเครื่องเล่น MP3 ที่เก็บกันแบบเป็นเม็กเป็นอะไรอย่างอง้ยยี 125, แล้วขายแพงๆเนี่ยไก็มาขายแพงกว่าแต่จุได้1 g กิกอะไรอย่างเงี้ยก็สร้างความสั่นสะเทือนว่าโห้ยฟังเพลงกันได้แบบไม่รู้จบนะครับก็ มีข่าวว่ามาแบบมีบเยียกันเลยนะฮะหลังหากหายไปตั้งแต่ปี2015ล่าสุดทาง Apple ได้เพิ่ม iPod Touch รุ่น2019ตัวใหม่ในเว็บไซต์ Apple Store นะฮะโดยรอบนี้อัดสเปคพอๆกับ iPhone 7 Plus นะครับด้วยชิปประมวลผล A 1 0 f u s i ช n แต่มีราคาจับต้องได้ง่ายขึ้นสำหรับ iPod Touch ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเล่นพกพาจะเรียกว่าเป็นตำนานเลยก็ว่าได้นะชื่อดังของ Apple ที่ออกมาพร้อมกับความบันเทิงโดยเฉพาะ โดยความสามารถจะคล้ายกับ iPhone แต่โทรศัพท์ไม่ได้นะฮะส่วนตั้ของ iPod Touch รอบนี้ได้อัดชิปเซต a 1 0 Fusion เข้ามาช่วยให้สามารถลันเกมและแอปที่แสดงผลเป็น AR ได้ในจอ4นิ้วนะฮะความละเอียด1 1 3 6 6 6 4นนะฮะตัวเครื่องมาพร้อมกล้องหลัง8ล้านพิกเซล f 4, ทั 2.4 ถ่ายวิดีโอแบบ 180p 0นะฮะกับการถ่ายวิดีโอซูร์โมชั่น 120fps นะฮะแล้วก็กล้องหน้า 1.2 ล้านพิกเซล f ทั 2.2 รองรับเฟสไทมด้วยนอกนั้นก็มีบลูทูธนะฮะ 4.1 ร 1, องรับ Wi-Fi 802.11a ทับ b ทับ g โอ้ย่าเฟือยนฮะ มีช่องเสียบหูฟัง 3.5 ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ iOS 12นะี่ยส่วนราคาอถามกันมาเยอะมาดูซิว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างนะฮะ mm. ก็แบ่งกันเป็น3รุ่นย่อยนะฮะมี iPod Touch รุ่น32กิกะไบต์นะฮะราคา 6,900 บาทนะครับ iPod Touch รุ่น128กิกะไบต์ราคา 19,000 บาทนะครับแล้วก็ iPod Touch รุ่น256กิกะไบต์ราคา 14,900 บาทนะฮะเห็นเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมี6สีให้เลือกนะฮะทั้งสีเทาสเปซเกร์นะสีขาวสีทองสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีแดงนะเห็นบอกว่าสีแดงนี้น่าจะเป็นรุ่นพิเศษเหมือนเดิมนะฮะแล้วคาดว่าจะวางเมื่อไหร่อ๋อดูจากข้อมูลแล้วยังไม่ได้บอกรายละเอียดขณะนั้นนะเดาว่าน่าจะประมาณช่วงตุลาหรือพฤศจิก นะอันนี้เป็นการคาดเดาส่วนตัวนะเพราะปกติ Apple มักจะวางขายหรือเปิดตัวสินค้าแล้วก็ไปขายจริงๆกันช่วงประมาณเดือนตุลาคมนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ Apple จะมีอะไรมาตื่นเต้นให้เราตื่นเต้นนอกจาก iPod Touch หรือเปล่าแต่เข้าใจว่าน่าจะมี iPhone รุ่นใหม่นะฮะแล้วก็น่าจะมี iPad รุ่นใหม่ออกมาให้เราได้ตื่นตาตื่นใจกัน้วยนั่นเองครับมาที่ข่าวของด t แท็บ้างนะครับก็ หลายคนอาจจะถามกันมาเยอะว่ารอบนี้ DT แทกไม่ได้ไปงานที่เกี่ยวกับมือถือใหญ่ๆนะฮะที่จัดผ่านไปแต่ไม่เป็นไรนะฮะ <S <S นะเขาบอกว่าถึงไม่ได้ไปงานแต่เขาก็อัดโปรโมชั่นสมาร์ทโฟนลดราคาให้ลูกค้ากว่า10รุ่นนะฮะนะฮะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก็เขาบอกว่าเป็นข่าวที่ด t แทกเพิ่งเปิดตัวมาว่ามีการจัดหนักลดราคาเครื่องกว่า10รุ่นหวังกระตุ้นตลาดครึ่งปีหลังให้กลับมาคึกคักนะฮะ ถือเป็นการเดินหน้าโปรโมชั่นสมาร์ทโฟนในครึ่งปีหลังนะฮะกับแคมเปญที่ชื่อว่าเทศกาลมหาเห่งให้กับลูกค้าโดยอันเนี้ยด t แท็กเขาก็ทําโปรโมชั่นให้ทางลูกค้ารายเดือนแล้วก็เติมเงินได้จับจ่ายซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่กว่า10รุ่นนะครับโดยลูกค้า d ีแทสามารถซื้อได้ทั้งช่องทางออนไลน์หรือว่า d ีแท็กช็ทั่วประเทศนะฮะช่วงแคมเปญเขาก็มีตั้งแต่24พฤษภาคมจนถึง23มิถุนายนก็เกือบหนึ่งเดือนเลยนะครับถือว่า เป็นเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ d ีแทพยายามจะเข็นออกมาก็ต้องต้องต้องบอกว่านอกจากที่จะขายพวกเซอร์วิสแล้วเนี่ยเขาต้องขายเครื่องเพราะว่าถ้าไม่ขายเครื่องเซอร์วิสมันก็จะขายยากอย่างที่เราทราบกันนะฮะก็เขาบอกว่าทางด t a c คกล่าวว่านอกเหนือจากการขยายโครงข่ายสัญญาณให้ครอบคุมทุกพื้นที่การใช้งานที่เป็นเป้าหมายหลักของ d t a c คแล้วนะครับการเดินหน้าจัดแคมเปญการตลาดเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ใช้งานโครงข่ายสัญญาณ ก็ถือเป็นสิ่งที่ d t แทต้องดำเนินการอ ย, าอย่างต่อเนื่องมันเป็นเรื่องปกติเพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่าจากการใช้บริการของ d t แทแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ของตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศเนี่ยยังไม่ค่อยแน่นอนก็คือเขามองว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ตอนนี้เขาก็ใช้มือถือกันนานขึ้นเนาะจากสมัยก่อนเนี่ยเปลี่ยนกันบ่อยตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนกันทุกปีและการเป็นว่าประมาณ2ปีถึงจะเปลี่ยนเครื่องหนึ่งมันนนเล ย, เลยทาให้ การกระตุ้นยอดขายเนี่ยก็ต้องจัดอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะไม่งั้นเนี่ยยอดขายมันก็ไม่ค่อยขยับนะฮะเขาบอกว่าโดยเครื่องที่มาโปรโมชั่นรอบนี้นะฮะก่อนจะถึงเครื่องเขาบอกว่าสำหรับลูกค้าลายเดือนจะได้สิทธิ์ในการซื้อ s ั m s u ง g Galaxy A Series ในราคาพิเศษลดสูงสุดถึง 60% โดยไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า ราคาเริ่มต้นก็1690บาทพร้อมสิทธิในการเปลี่ยนหน้าจอ1ครั้งฟรีภายใน1ปีนะฮะนับจากวันที่ซื้อเครื่องก็คือช่วงแคมเปญเลย2ีิพฤษภาถึง2ี่มิถุนานะฮะส่วนเครื่องที่มาร่วมแคมเปญก็จะมีอย่างห u วเ e i m a ม e นะฮะหัวเว่ยเมทยี่สิบ a ปรซัมซุาแล็กนะฮะ ร, ราคาพิเศษเท่าไหร่เนี่ยโอ้หนบาทถูกจังนะฮะ ร, ราคาปกติมัน 31,000 ื่นนะฮะเอ่อนะฮะ ร, ราคาพิเศษที่ 0,000 ึ 4 9 0นะฮะ Oppo F11 Vivo V5 uh, V15 Pro นะฮะแล้วก็ยังมีพิเศษคือ iPhone 10s กับ iPhone 10s Max นะฮะรับส่วนลดสูงสุดเพิ่มขึ้น 1,000 พทุกโปรโมชั่นทุกแพ็กเกจนะฮะอะฟังถึงตรงนี้นะครับใครที่กำลังเล็งหามือถือบอกว่าไปดูแล้วยังไม่เจอถูกใจก็อาจจะวะเวียนไปดูแล้วกันเข้าใจว่านอกจาก DTAC เอง AS เอง True เองเขาก็คงจะทำแคมเปญออกมาให้เราได้แบบ น้ำลายไหลอยากซื้อเครื่องใหม่นะก็ลองไปดูกันตามช็อปแล้วกันหรือถ้าไม่อยากจะไปตามหน้าช็อปก็เปิดตัวออนไลน์ดูก็ได้นะของแต่ละค่ายครับรายการคอมทูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท a r i p จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฉันหรือเปล่าฉันอยู่ตรงนี้มีแต่คิดถึงสุดหัวใจยังจำภาพสุดท้ายของเธอที่จากกันวันที่เป็นที่สุดของความเสียใจแล้วโลกก็ ไกลสุดจุดหมายในลอกที่แสนว่างลาลองฟ้าตั้งแต่เชา้าจนตะวันลาบเลือนหาย ฉันยืนคงมองหาว่าเธออยู่ที่ใด ก็ฉันอีกครั้งหนึ่งอย่าปล่อยให้ทรมานอย่างนี้เลยโลกที่ไม่มีเธอ รายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี fm 89.5 MHz เมมาที่เบรกสุดท้ายนี้นะครับกับข่าวที่บอกพูดถึงตู้ ATM ในเนเธอร์แลนด์นะฮะสร้างการแจ้งเตือนเด็กหายผ่านหน้าจอนะฮะเขาบอกเป็นคีย์อินไซ t ์ของเรื่องนี้เลยนะฮะเป็น เป็นเรื่องราวของการแก้ปัญหาเรีย ก, กว่าปัญหาทางสังคมละกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาเด็กหายมักจะแก้กันไม่ตกเสียทีนะฮะ บ, บ้านเราก็มีปัญหาเรื่องนี้อย่างล่าสุดก็เห็นจะมีโครงการที่เอาคนหน้าคล้ายเด็กนะเอาดาราดาราที่เรารู้จักแล้วก็ให้ดูรูปตอนเด็กๆของเด็กที่หายไปแล้วก็คาดการว่าถ้าเ้าโตขึ้นมาเนี่ยน่าจะหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ให้ดาราที่เรารู้จักกันเนี่ยเป็นคนมา แนะนำเชิญชวนให้เราช่วยกันตามหาเด็กคนนั้นอะไรเงี้ยก็ถือเป็นแคมเปญที่ออกมาพอสมควรเขาเได้รับฟีดแบคที่ดีทีเดียวเลยนะฮะส่วนค่าวนี้เขาบอกว่าปัญหาเด็กหายมักแก้กันไม่ตกอย่างที่บอกบ้านเราก็มีปัญหาเรื่องนี้ไม่ชไมใช่น้อยนะฮะแต่หลายประเทศเริ่มใช้เทคโนโลยีลต่างๆเข้ามาช่วยทั้งการติด GPS ที่คนใช้สื่อโซเชียลในการช่วยค้นหาหรือการประกาศในเว็บไซต์นะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่า มันก็เก่าแล้วเนาะไอเรื่องเว็บไซต์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ทํากันมานานแล้วนะแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวว่าตู้ ATM ในเนเธอร์แลนด์เนี่ยเริ่มแสดงการแจ้งเตือนเด็กหายไปซึ่งได้นําไปติดตั้งในสถานที่ที่มีคนพลุกพลาด น, นะก็คือมีรูปของเด็กเหล่านี้เช่นนะฮะตรงไหนที่พลุกพลาดบางเช่นสนามบินห้างสรพรพสินค้าทําให้คนที่จะกดเงินจะเห็นการแจ้งเตือนเด็กหายทุกครั้งนะครับข้อมูลที่หายของเด็กที่หายเนี่ยจะถูกเชื่อม เข้ากับข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็แจ้งผ่านตู้ ATM ในทันทีโดยการแจ้งเตือนเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ระดับนะครับก็คือแบบระดับธรรมดาจนถึงระดับเร่งด่วนนะซึ่งตัวการแจ้งตรงนี้เนี่ยคาดว่าเด็กจะมีเหมือนกับเอที่อันตรายเนี่ยคาดว่าแบบเด็กอาจจะทูกทาอันตรายต่อชีวิตอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนว่าถ้าใครเจอก็รีบแจ้งเลยนะฮะในเรื่องของการส่งข้อความ ว่าเราเจออะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าสามารถแจ้งผ่านตู้ ATM หรือว่าเข้าเว็บไซต์เพื่อแจ้งก็ได้นะครับก็ถือเป็นโครงการดีๆที่เรียกว่าพยายามเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะฮะทำให้สิ่งเหล่านี้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับจริงๆแล้วก็ถือว่า <c oughs> มี เรื่องราวหลายๆอย่างที่เอามาฝากกันตั้งแต่ช่วงเบรกแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าหลายคนก็น่าจะเลือกเสพแล้วก็เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้นะครับนะอ่ะลองมาดูข่าวนี้กันสักนิดหนึ่งนะว่ามีอะไรน่าสนใจนะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวขอเลื่อนดูนิดหนึ่งอ่ะดูจากช่วงเวลาปิดไทยสักเล็กๆกับ ข้อคิดดีๆที่จะนํามาฝากกันนะครับเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องคนเก่งนะฮะก็น่าจะเป็นที่ถูกใจนะครับมาดูตรงนี้ล้กันนะฮะ <c oughs> กำลังเลื่อนหาอ่ะเอาพูดถึงเรื่องของการวัดผลนะฮะทุกคนอยากประสบความสําเร็จแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราประสบความสําเร็จนะครับง่ายๆเลยก็คือถ้าอยากรู้ว่า มีความสำเร็จเท่าไหร่ก็ต้องมีการวัดผลแล้ววัดผลได้ก็ต้องรู้ว่ามันมีมาตรฐานยังไงอยู่ตรงไหนนะครับคนที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยเขาต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็วัดผลอยู่เป็นระยะระยะนะฮะเขาบอกว่าเมื่อรู้เป้าหมายแล้วหากยังใ ช, ช้ชีวิตทุกอย่างเหมือนเดิมแน่นอน ผลที่คาดว่าจะได้ก็คงไม่มีทางนะเช่นเดียวกันทํางานถ้ายังใช้วิธีการทํางานแบบเดิมแต่คาดหวังผลที่เปลี่ยนไปก็คงไม่มีทางนะเพราะฉะนั้นอยากได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนเดิมก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทํางานนั่นเองนะครับอ่ะย้ํากันตอนท้ายนะครับสําหรับงานคอมมานดจอยนะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กระกฎาคมที่จะถึงนี้ที่ไบเทคบางนางเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มทยอยเปิดเผยเรื่องราวคอนเทนต์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ comma thailand.com นะครับติดตามกันได้หรือว่าถ้าจะดูว่ามีโปรโมชั่นอะไรตอนนี้ยังไม่มีหรอกเอาไว้ใกล้ๆค่อยดูก็ได้นะฮะก็ดูที่เว็บไซต์ comma thailand.com เหมือนกันนะครับอ่ะเวลาของวันนี้หมดลงแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ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 อยากให้เธอนั้นมีใจอยากเป็นเขา อ, อยากให้เธอน้นีใจอยากเป็นเขาคนนั้นคนที่เธอห่วงใยใส่ใจแต่สุดท้ายมันก็คงไม่มีทาง ฉันเลยต้องเศร้าปวดราวจนฉันต้องถอยไปเมื่อเห็นเธอเป็นสุขตัวฉันก็สุขใจเมื่อเธอมีเขาคอยห่วงใยดูแลเคียงจิตใ้วันไหนที่เธอเศร้ากับเขาที่จากไปวันไหนที่เธอต้องร้องห เข้างเธอมีความลับทียูในใจมีความลัที่ข้ในเป็นความลัทียงเปิดเผยไม่ได้มีความลับทียูในใจในเป็นความลับที่ขใ น, ใ น, ขในแต่ไม่รู้จะบอกเธอ สมมติว่าเธอเลิกสมมติว่าน้ำตาเธอน้องจากคนนั้นของเธอยังหวังรอเธออยู่จะเฝ้ารอเรื่อยไปก็แล้วแต่ว่าใจของเธอจะมีฉัน สมมติเธอเลิกสมมติว่าเธอลาสมมติว่าน้ำตาเธอน้องจากคนนั้นของเธอยังหวังรอเธออยู่จะเฝ้ารอเรื่อยไปก็เลิกแตว่วาใจของเธอจะมีฉันหรือเปล่ามีความลับที่อยู่ในใจ มีความลับที่อยู่ข้างในเป็นความลับที่ยังเปิดเผยไม่ได้มีความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในแต่ไม่รู้จะบอกเธอ เจ้าที่ผ่านมาน้ำตาเสียไปให้สิ่งที่คล้ายกับความรักจากคนหนึ่งถึงอีกคนพนน้นหลงง่ายจอกเหมือนกันคือฉันจะเลยเก็บใจไว้รอคนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉัน เธอได้ไหมหัวใจมันบอกยอมทุกสิ่งยอมทุกอย่างให้กับเธอแม้ปลายทางอาจเจอที่เธอความผิดหวังแต่ถึงยังไงก็จะรัก รักใครบางคนอยู่หรือยังไม่มีคนที่ดูใจกันตัวฉันยังไม่รู้เลยแต่คอยไม่มีเธอเพราะที่ผ่านมาน้ำตาเสียไปให้สิ่งที่คล้ายกับความรักจากคนหนึ่งถึงอีกคนพ้นลองง่ายจบกัน คือฉันเจอเลยเก็บใจไว้รอคนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉันคนที่มีหัวใจเหมือนกันคนนั้นเป็นเธอได้ไหมตัวหัวใจมันบอกยอมทุกสิ่งยอมทุกอย่างให้กับเธอ เจอกี่เธอความผิดหวังแต่ถึงยังไงก็จะรักเธอไปอย่นั้น คนหนึ่งถึงอีกคนพ้น ล, ลมง่ายจบกับเหมือนกันคือฉันเจ็บเลยเก็บใจไว้บอคนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉันคนที่มีหัวใจเหมือนกันขน้นเป็นเธอได้ไหม แม้ปลายทางอาจจะที่เธอความผิดหวังแต่ถึงยังไงก็จะรักเธอไป